ถ้าถ้าอยากจะปฏิบัติทัดสีก็ต้องเริ่มจากลักษณะหลักหลักที่ไหนสามารถกำหนดรู้ชัดเจนได้เริ่มจากที่นั่นถ้าสามารถรับรู้ที่นี่ก็ต้องเอาใจใส่ที่นั่นจนถึงสามารถ กำดรู้ชัดเจนเลถ้าไม่ถ้ายัางไม่ชัดเจนก็ไปควรไปกําหนดรู้ที่อื่นถ้ า, ถ, าถ้าเราสามารถกําหนดรู้ที่ใดที่หนึ่งอย่างชัดเจนแล้วเราก็ควรเอาใจใส่ที่คล้ใกๆทางนั้นเรื่อยๆทําต่อไปจนถึง ขาแล้วก็สีสัตสีสัตถ์ถึงขาอย่างนี้ต้องทําไปเลยพอทำเสร็จก็ถามถามหน้าอาบน่าเลยแต่ตรงนี้แครู้นะอดีตยังก็นั่งเนั่งเมื่อกี้เนี่ยตอนกลางวันนี่นั่งก็ยังไม่รับรู้ในการรู้แต่ที่นีตรงนี้ก็ยังไม่รับรู้สักพักเหมือนที่จังม่วงไป หลับไปค่ะเาะมีคนเะดี๋ยวก็กาหนดก็กำหนดอีกทีพอรูตัวนั่งอีกก็จะได้เหมือนเดิมอะคจะได้ได้ส่วนนี้กับส่วนนี้ทำจบวไปทำไถ้ า, ม, ามีความถ้ามีความลำบากก็บอกอาตมา <c oughs> สงใส่ัยการลำบากตจนกระทำแต่ก็จะลองพยายาม <c oughs> <c oughs> ทำสิ่งที่ยาก <c oughs> ไม่ได้คนที่สามารถนังน่งนั่งจะว่ายังไ ง, <c oughs> น, ง น, น, นั่นเนงเวลาที่อินเตอร์วิวก็บอกแล้วเสร็จแล้ว ถ้าอยากจะนัดบนเก้า อ, อี้ก็นั่งได้เลยแล้วสั่งอันนั่งกับตัวนั่งแล้วนั่เสร็จล้เพียงแค่ปักน้องก็ได้เวลาเราจะถอดนั่งเจ้าคะไม่ใช่การถอดนั่งของี่ให้บริษัทมาให้เราเจ้าค าก่อนคี่สวดมนต์มาไหมเวลาเปิดสวดมนต์ใช้เวลามากหมใช้เวลาประมาณนมมนต์ินอะื่อลา คุนีคำลังทําอาณาบานั้นสัตย์จริงสวดมนด้วยอาจจะเป็นเพราะวะ่าที่เพราะวะ่าทุกๆวันก็สวดมน์ก็มี เฮปิดนจะว่าอย่างไรเฮปิดเป็นนิสัยชอบสวดชอบมาสวดมนุก็เป็นกุศลก็ควรทำเจ้าเวลาที่เราทำเวลาที่เราปฏิบัติเราก็ควร รักษาสติให้ดีกับอารมณ์กรรมฐานของเราเราก็ต้องฝึกไปถ้าไม่ฝึกจอยใจก็จิตใจของเราก็จะดูสิ่งที่เราชอบดูสวดมวนั้นเปรียบเทียบกับคำปฏิปป์ก็ง่ายเหมือนกันใช่ไหมไง่ยกว่าเลย ใจของจิตใจของโยมก็ incline โยง <c oughs> ไปทา <c oughs> งสิ่ที่เราเอียนไป <c oughs> จริงๆแล้วถ้าถ้าเราถ้าเราอธิบายเกี่ยวกับกับกุศละ นีละลาขันตอนกรมวจระกุศลจิตตรูปาวัระกุศลจิตตอรูปาวัระกุศลจิตตสวดมนตนั้นเป็นกุศลจิตตว่ากรมวจระกุศลจิตตเอถ้าเวลาที่เราปฏิบัติอนาบานสติถ้าเราสามารถ อันลุจังได้เวลานั้นกุศลจิตเป็นรูปาวัชระกุศลจิตอันนี้เหนือกว่าก็เลยเราก็ต้องฝึกจิตของเราให้รู้อารมณ์กรรมฐานเท่าที่สามารถทำได้ถ้าเรา ยึดยึดต ด, ดยดติดอะไรถ้าเรายึดติดกุศลก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเราไม่สามารถทาสิ่งที่ดีกว่าใช่หก็เลยเราก็ต้องฝึกจิตจิตของเราเพื่อจะทำสิ่งที่สําคัญรกรรมวัสระกุศลจิตเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ ในเดลวันแต่เกี่ยวข้องกับปฏิปัติเราต้องฝึกจิตของเรามากกว่าวิลามากกว่าสิ่งที่เราทำเกี่ยวข้องกับกา ม, มาวาสระกุสระจิตต ก็ไดมเวน่าทำงานก็ได้สนแล้วไม่รว um ่าขเราที่งงานได้เส่วเรจะกเวลาใ่มวลทำาเวลาทำงานถ้าถ้าได้เย็นสวดมนุก็ดีเพราะว่าถ้าเราไม่ ใจของเราไม่ทาสิ่งที่ดีอยู่ใจก็ไปทำสิ่งที่ไม่ดีเวลานั้นไม่เป็นอะไรแต่ว่าต้องแยกแบ่งแบ่งต้องแบ่งไว้เวลานที่เราสวดมงตก็สวดมองเวลานที่เราทําอนาบาลสติก็ทำแต่อนุบาลสติ นีเ่เร้รส่งุมั น, มนอเ ร, เรจะอาไอุปธิคาอุปค า, ปคาถ้าเราก็ต้องเข้าใจว่าเรารู้สิ่งได้สิ่งหนึ่งเพราะว่าเรามีย o n i s o m a n a s i k a ละเกอารมณ์นั้นถ้าไม่มีไม่มียนติ a อมนัส a ิกาละจว่าอย่างนี้ จะว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราไม่มีมนาซกาละกาละเราก็ไม่รู้เราไม่ได้ไปใส่ใจเสียงจบลเราก็จะไม่รู้ใช่เราก็ต้องใส่ใจอารมณ์กรรมฐานถ้าถ้าเราไม่ใส่ใจอันใดอันไห น, น, ไหนเราก็ไม่สามารถรู้ถ้าเราชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ใส่ใจสิ่งนั้นก็รู้แล้วก็ถ้าเปรียบเทียบ กับอนุบานาสัติอารมณ์กรรมฐานอนุบานาสัตตินอารมณ์ที่ยากเพื่อจะรักษาให้รู้จิตดอดดอนเลื่อนไปสวดมนั้นง่ายบางทีไม่มีสติสวดอยู่ฟุ่งไปโดย อ, อย่างนี้ไม่ดีเวลานั้นจริงๆริงเเ ว, วลานั้นกุศลจิตตาก็ไม่แข็งแรง ด้วยอุตจักรพุ่งขึ้ก็ต้องฟึกต้องฝึกต้องฝึกอย่าพอใจกับสุดวงมถงลเนาม้ีสียงสุดวกปล่อยเขาไปใชปล่อยปล่อยไปภูเบคามูเบคาเป็นสิ่งที่เราต้องเจริ ในชีวิตของเราสิ่งที่เราต้อ ง, อ, งอุปเกาก็ต้องฝึกไปหนึ่ต้องอุปเกะหนึ่ถ้าไม่ไปอย่างนั้นก็ทําให้ติดยึดกับสิ่งที่เราต้องอุปเกาและทําให้เรามีความลํำบากในชีวิตของเราจริงๆแล้วใกล้จะตายสิ่งที่เรายดึดติดจะปรากฏมากถ้าสิ่งที่เรา จิต ย, ย, ยึดปรากฏนั้นที่ที่ทใกลกจะตายเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ก็ให้เอาไปเกิดในบายภูมิกรล์เราก็ต้องต้องต้องเจริญอุปิคขาอุปปิคขาจิตต เราสืตสวดมนต์ดีที่สดแล้วก็เด็ดเอาจะดับลงถ้าเราที่มีสวนสวดนต์ถึงีโดยติที่ดีไม่ไส่วนเวลาที่ทำทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าถ้าสามารถสวดสวดมนต์ได้ก็สวดไปแต่ว่าถ้าสามารถกำหนดรู้ลืงเข้าล่มออกได้ก็ การเดินไปอัน hmm. น <laughs> eh? ี้ก็ส mm ิ่งที่โยมต้องฝึกนิดเอ็ด Closer and closer and bigger and bigger and fast my head and up here again and again. So then I try to control the circle light. I control to move it around around my face again and again. And then I remember, Rajan said, "You have to notice only the bridge." Didn't breathe out. At that, so I lift it and come to the breeze, and then it disappear. This is r i or wrong? Like disappear. But but before before it disappear, it turned to the g r a y color, and slowly, slowly disappear. After how many minutes focusing on the breath, did the light appear? How many minutes, not, sure, not, not too long, 10, 20, not too long, it may be u ten to t w e l v i n u e but not too long. When the light appeared, where did it appear? And not big, deep, but bigger, bigger, bigger. Come closer. Yes, closer and e r Good sign, but you need to train just to be with the breath. Don't pay attention on the light. It is unstable. unstable. Yes, not stable yet. That's why you should focus on the breath as usual to make it stable. If you if you are interested in the light, you cannot progress further. That's why this is not the right time to focus on the light, just to be with the breath. If you pay attention the light, it is not unstable that you forgot to focus on the breath. It is the result. If you pay attention the result, so it will finally disappear. Okay, that's why. Now is the time for you to just focus on the breath until light will unify with the breath. Combine with the breath. Combine with the breath. By control or not control? No, no. Not control. Nothing to do with the light. It is the result that comes because of well focusing on the breath. If you maintain focusing on the breath. As you s a l they were u n i f y i by themselves. Even though they unify, in the beginning it is unstable. You need to wait until the unification lasts for 30 minutes. Okay. Only when the unification lasts for 30 minutes, you should start f o c u s on the limiter at the same a e you focus the breath. Good sign. Just maintain. And bye bye. คนไปแล้วมีบารมีค่ะอากเดี๋ยวคำอินทีย์จะรัปสรุปว่าให้ m a i n ท a i n b r e a างไหนแสงแววว่า is the circle n o r t อย่ต้องใส่ใจแสงที่ปรากฏใส่ใจจะลงเข้าลงออยงเดิมต้องกำหนดจิตไว้ที่ ทิ้งลงจากกระถิกกระทอบอยู่กรับมัราชการพระอาจารย์เจ้าค่ะคื อ, คอเรื่องการปฏิบัติได้ถังไปแล้วอตอนนี้ก็ปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำก็ทำทำได้ต่อเน่องบ้างไม่ต่อเนื่อบ้างอยากถามว่าอย่างเวลาที่เรารู้ว่าหุ่ง่าง เรานั่งไปแล้วนั่งไม่ครบหนึ่งบันลงนังอ่าแต่ว่าโมหะมันกินบ้างฟุ้งซ่านมันมันเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเราควรจะทนมากอยู่อย่างนั้นหรือควรที่จะปรับให้ใจของเราเน่เป็นกุศลเวลาที่มีความฟุ้งซ่านให้ดูลง ส่งส่งวันคนที่ผ่านมาอาตมาก็ได้คาได้ให้คำแนะนำเราเดี๋ยวนี้เม่ชีก็เดี๋ยวนี้กำลังฝึกจิตของละจิตของเม่ชอชี่มีความฟุ่งั่นเพราะว่าจิตไม่ตั้งใจมันยัง ไม่ตั้งใจในปฏิบัติตั้งใ แ, <ต>แต่ว่ามันตั้งใจตงแต่ว่ายังไม่ชำนันแลก็สติก็ยังไม่ดี <laughs> ก็เลยต้องฝึกไปถ้าเราหยุดปฏิบัติเพราะว่ามีความทุ้งส่นถ้าอยาทําอย่างนั้น หมายถึงว่าเราไม่ฝึกจิตของเราถ้ามีความฟุ้งซ่า น, นนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาทำในเวลาทาอนาัปานาสติหรือกรรมฐานใดๆเวลานั้นเราก็ไม่ควรตาความคิดที่เกิดขึ้นไปนะไม่ควรตาไปแล้วก็ต้องเดินกลับนะ เสียงอุ้งเสียงใสใจลมเข้าลมออกอย่างดิมยาสนใจอยาใส่ใจความฟุงมฟ้งสัานพอไม่ใสใจฟุ้งซ่านมันก็หลับค่ะอย่างที่อาตมาบอกเมื่อคืนเมื่อคนั้นสิ่งที่ยาก มีประโยชน์ไม่ชอบทางสิ่งที่ง่ายไม่มีประโยชน์ชอบทางเพราะฉะนั้นต้องฝึกต้องฝึกถ้าถ้าถ้าเราตามความพุงสันไปก็ง่ายง่ายไม่มีวนแต่ถ้าเราใส่ใจลมเข้าลมออกเป็นสิ่งที่ยากต้อง ต้องมีสติต้องต้องทำต้องใช้วิริยะที่พอสมควร <c oughs> ถ้าถ้าสติเล็วิริยะถ้าวิริยะมากเกินไปเป็นอะไรมีความฟุ้งซ่านมากพระพุทธเจ้าตรัสอนไว้ว่าถ้าวิริยะเกินไปสตสิไม่สามารถทําตามก็เลยมีความฟุ้งซ่าน มากขึ้นเราต้องใช้วิริยะที่พอสมควรหายใจเอาหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์ที่ไม่ฉาดอารมณ์ที่ไม่หนักก็เราก็ไม่ต้องใช้วิริยะมากให้รู้ตามธรรมชาติถ้าเรารู้ตามอย่างถ้าเรา การดูดรู้อย่างธรรมชาติเวลานั้นวิทยาเป็นธรรมดาเหมือนกันฉะนั้นเข้าใจไหมก็ลยต้องฝึกไปตั้งใจให้ดีแต่ว่าอย่าอย่าอย่าใชเวิทยามากเกินไปถ้าวิทยาเกินไปสติ ก, ก็ไม่สามารถทาตามวิทยา ก็มีความฟังก์ชันเกิดขึ้นมากการประคองสติที่อยู่กับลมหายใจเนี่ยเราจะประคองยังไงให้ประคองประคองหมาถึงอะไรรักษาการรักษาสติของสติให้อยู่กับอนาปานัสอนาลมหายใจเนี่ยเราจะ ทำให้มือทำอย่างไรใจของเมจีสงบไหมเวลานั่งลงไปตอนเรงตอนแรกสงบเจ้าค่ะถ้าเรามีจิตที่สงบเราก็สามารถกำเนดรู้ลมเข้าลมออกนังธรรมชาติได้ ถ้าไทยเกาหลีเราก็ต้องรักษาสติให้ดีเราก็ต้อง apply the mind จะว่าอย่างไร apply the mind we we take we took ก็เพื่อจะรู้ลมเข้าลมออกอย่างติดตอ่อต่อเนื่อง เราก็ยกจิตของเราแก่ลมเขาเ้าลมออก ส, สม่ำเสมอทถ้าถ้าเราลืมลืมที่จะยกจิตของเราแก่อารมณ์ก็เราก็ไม่รู้อารมณ์กรรมฐานแล้วเพื่อจะยกจิตของเราแ ก, ก่อารมณ์กรรมฐาน เราก็ต้องใช้วิริยะที่พอสมควรเพื่อจะใช้วิริยะที่พอสมควรเราก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติเราก็ลืมเพื่อจะยกจิตของเราแก่อารมณ์กรรมฐานเข้าใจไหมแต่ว่าเราก็ต้องฝึกจะทํำยังไงเราสามารถใช้วิริยะที่พอสมควรเพราะว่า ทุกคนผู้ปฏิบัติบางทีก็เข้าใจบางทีก็ไม่เข้าใจบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดจงถึงช้ำนั้นเราก็ต้องฝึกไปถามของเมื่อคืนได้ไหมคะเอะๆว่าที่ท่านพระจาร์พูดถึงการรู้สภาพของความอยาก คิดว่าให้เราุ้อ่าทุกฟันด้าหในแล้วให้ขยายไปให้ให้ให้เลื่อนให้เลื่อนให้รู้ให้ให้รู้ชัดเจนให้รู้ชัดเจนที่ใดที่หนึ่งก่อนถ้าชัดเจนแล้วก็ต้องต้องย้ายไปรู้ที่ใกล้อออยยย่่าาาางงต้้้นพเเรรรูก็ไปทีั ย้ายไปเหยย้ายไปใหม่ถึงเราไม่สามารถย้ายทัดทัดของทัดเราย้ายจิตของเราจิตที่รู้จิตที่รู้แต่ น, นี้<ไ>จะถามว่าแล้วเวลาที่ย้ายไปให้ได้ตั้งแต่ตศีรษะจนจดปลายเท้าน<ไ>เนี่ย ใ, ให้รู้ที่ข้างนอกหรือรู้ที่อวัยวะภายในด้วยภายในด้วยข้างนอก ข้างในด้วยการกระดูกเยื้อในกระดูกไตหัวใจตับทางผิวม้าปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยด้วยกันด้วยกันอย่าปะอย่าเอาใจใส่อาการอาการอาการของอาการต่างกันไม่ต้องเอาใจใส่แต่ลักษณะธาตุลักษณะธาตุแค่ลีเแล้วเรารู้ได้แต่ข้างนอกได้ไหมเพราะว่าอวัยวะข้างในเราไม่มีความ ชำนาญหรือว่าต่อไปมันชำนาญเวลาที่เริ่มทําทํายังไงทําที่ใดสามารถกำหนดรู้อย่างชัดเจนทําไปเลยหลังจากนั้นโยแมบเมชีก็ต้องฝึกเพื่อจะรู้ข้างนอกข้างในด้วยกัน ถ้าสาสมารถทำได้ที่ใดที่หนึ่งข้างนอกหรือข้างในเราก็สามารถทำต่อไปได้ด้วยกันอาการอย่าอาการนุ่มอาการเรียบทำอยางเดียวกันไหมที่ต้องรู้ทั้งอวลยะข้างในและสภาพข้างนอก <os> ทุ <dan ania. S 2> ก, ๆ, กๆลักษณะทุกทลักษณะก็ต้องให้รู้ มีอะไรีอไอีกไหมไม่มีแล้วช่วคแรกเป็นหนึ่งชั่วโมงเพราะ่าผ้ากันมดเเวลาอีก15นาทีคนที่เป็นโรคหัวใจนะนอนส่งงานอะไรงานได้ใจนะถูกลงมนังมีชื่อว่าโรคหัวใจและเดี๋ยวรับเพื่อนก่อนตอนไหน สุกคนที um ่ต่างชาตะนาแต่ทาน่านได้แนะนำะคะมก็อนไปทำามธรรมชาติที่ยอทโดยที่ไม่ได้บังคับเออ อันดับนึ okay. ่งท <coach> <issues> well ่านแม่แล้วก็ก็ก็จับอนาณาสติอ right? ย right? right. right so ู่ที่ที่ลหายใจกระโดดแล้วสักพักเลยมัก็จะคือนก็จะไหลจากคือมันก็จะมีมีแสว่าลมก็ยงอยู่ที่จมกอนะคะแล้วแล้วอาจารย์บอกว่าให้ให้ concentrate on on on on here a r r so สองไอพแล้วก so ็ก็มีรูสวาแสงที่มันจะกว้างเนี่ยมันเลื่อแคบเข้ามาแต่ว่ามันไม่ได้แคบเข้ามาจนชัดอะแต่ว่า I can tell different ใไม่ทราบว่าตรงนั้นเนี่ยมาถูกหรือเป่าคะถ้าอยูมกำลังรู้ลงเข้าลงออก จิตต่อเนื่องไปสิ่งที่เปลี่ยนไปแสงหรืออะไรก็ตามเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าเวลาที่เราไม่ควรรู้ไม่ควรเอาใจใส่แสงที่ปรากฏเอาใจใส่แต่ลงเข้าลงออกกำหนดรู้แต่ลงเข้าลงออก ก็เป็นเวลาที่สิบวิธีที่ถูกต้องในเวลาเดียวกันเนี่ยยงก็จะได้เสียงคือคือเสียงที่มันต่างนะคะมันก็จะแบบ very sensitive in the ear you know just like my ears t w i s t i n g y twinky รูปิกา ไม่ตมแส่ใจค่ะคือไม่ได้ใส่ใจต่มือนกันมันอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันไม่อสิ่งที่ฉุดแต่ว่ลมนี้อยู่ตลอดเคยเป็นเมื่อก่อนไหมอือเป็นไม่ค่อยเป็นมากนะไม่เป่เป็นนะะแต่ว่าเวลาทำเนี่ยมันไม่เป็นอะไรสิ่งที่สาคัญก็ ไม่เพื่อไม่ไใส่ใจถ้าใส่ใจก็จะเป็นความการวน mm hmm. ถ้าไม่ใส่ใจก็ไม่เป็นอะไรไม่สามารถทำให้เป็นความการวนได้ถ้าใส่ใจก็เป็นความการวน mm hmm. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะแจ้ง a e r t ้ n e r g y ขึ อะไรขึ้นซึ่งค mm ือไลฟ์วันสี่ท่ันที่วันสี่ทุ่มคือทำได้เลยคุณคุ้นออสลี่มันเป็นธรรมดาถ้าเราสามารถสามารถคำนดรู้เลืข้าเลื่อปอกเลื่อปอกจิตต่อตอนเนื่องได้อย่างนานๆสมาธิก็จะดีขึ้นเวลาสมาธิดีขึ้น จิตของเราก็ว่าอย่างไรจะตดื่นจะเดืก็เวลานั้นเราก็ไม่สามารถนอนได้อย่างง่ายแต่ไม่ต้องขลุมเวลานั้นทำต่อไปแตใ่ในไม่ช้าในสงสารวางก็เข้าใจจะทำยังไงเพื่อจะนอน <laughs> อืมก็อันคคือเวลาตอนเช้าเรปิดไฟปิดไฟนะคะซึ่งไฟก็จะมืดซึ่งรา่ยอมมันไม่ไม่สบายใจยอมจะต้องมีแสงค่ะอันนี้มันมันเป็นอะไร่ะประธานเออุปทานต้องเปลี่ยน เปลี่ยนต้องเปลี่ยนทัศนคติของโยมเพราะว่าจริงๆแล้วเราเรียกเวลาเราจเจริญสมาธิเราเรียกกุฏิทิมิตเี่เพราะว่าถ้าถ้าไม่ไม่มิดก็มีกังมีมีกังวนี่ก็ เวลาที่เราทำถ้าเราจเจริงสมาธิถ้ารู้ห้องของเราถ้ามิดอยู่กนดีไม่ไม่ต้องรวนไม่ต้องคิดเกี่ยวกับอันนี้เลยไม่ต้องใส่ใจด้วยเพราะว่าเดีไปใส่ใจแล้วก็มีอุปาทานแล้วก็ชอบที่ดูในห้อง ที่สมองถาดถาดคนจะทอว่าอดัมมาก็อยากส่อนเหมือนกันจะทำยังไงจะส่อนที่ไหนได้อัมยมจะไปที่ไหนเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เวลาที่ถูกต้อง แย่ยังไม่ควรท ำ, รทำอยากให้บรรลุดฌานได้เพราะว่าก า, าปฏิบัติของโยมก็ดีอยู่ถ้าสามารถทำติดต่อไป <c oughs> ก็สามารถบรรลุดฌานได้ถ้าเขาฌานได้แล้วเวลานั้นถ้าอยากทำวิปัสสนากรรมฐานอาตมาก็อยากจะสอนเหมือนกันฮึ <c oughs> And no, no, please don't do that. <laughs> no, no, it's only anapana. Okay. Yeah. <laughs> This morning, when I was eating the ripe mango, then I reminded last night we were talking about Patsy. Last night we were talking about Pat's e x t r n a l Patsy. So. I try to see whether there is any external cause, and then when I take the spoon into the mango, then I can feel the c o h e s i v e n cohesion, cohesion, yes, and also the hardness, or softness, something not not so s i l a r and uh, not clear distinction, I mean. And then uh, the dizziness, and then I wonder about the temperature. Why I cannot feel the temperature? Then I realized that because I was using the school, so I cannot feel the temperature, uh, and it's i t r n a t p o s i b l And also about lack of light that you mentioned the other day, I just realized that I experienced. About u m six years ago, when he we was sleeping. At that time, I r t um, a d some meditation l i t t l i l I was c o l d in uh, a f e r a b a n d bang. I t u r n my head, light switch off, and then after a while, meditation, uh, maybe for six minutes. Then I realized it is a uh, white c o t h Uh, it's uh, illuminated and all i k e that, but not too much. Transparent, a little. g h y That is when I think, then I thought, and then what? What? And what for? So I forget it. Okay, I better go and sleep because I don't know if I do s o f it. I don't know what for. When I sleep, it goes on for about three, three, four days, or maybe seven days, the maximum. And I just forget it. And I was really really a And y e s t e r d a y I was so happy to h e a r you to h u a r t when you mentioned about the Korean girl. And uh, I wish I were like her because I. May I r e portray you know, my experience about six years ago? Sorry, but like, uh, but now I cannot do it that much. A little bit only. Trying the e g l i s h but no knowledge. See the suppose, supposing I live knowledge, no, o b j e c t and then. Eye, skin, hair, n o s lips, Okay, you can do it, and so on. When I do the other i n g okay, I can do it, and I can t o some other thing also, but but, but not as we as the eye. So that is one for that is knowledge to know the object. And then finish, and then knowledge to know object. Okay, then finish, and then after after a period, I see some other thing that is knowledge to know knowledge that is to know the object, and uh, it occurs like this. Don't e e l like the the knowledge goes, and another knowledge go immediate immediately after, just like a frame on this t h e r No, Can I didn't finish. I'm not sure what this is. What sense a r n Okay, now what I want to tell you. Yes, I have more to finish my process, or <laughs> should I stop it? Or should I maybe on? what I want to say? You n o w Please don't do that one again. No, no? please okay. don't do. It is not not. Important to do. Eh? Mm -hmm. Now, what I want to suggest you: just maintain focusing on the breath. Also, you may feel like doing four elements. I think you don't like. Um, this is becoming necessary for me because I tension. What I want to say: you should not do four elements. Uh, symptom which is called fibromyalgia, which is pain in the body because of t e n s e n e s s I have been w o r k i n g to have s o h e i n d o symptom occur, so I need to l o o to help me sometimes. When we are going to practice four elements, we should practice under the guidance of the teacher. We need everyday interview. So I suggest not to do alone. Okay? Mm -hmm. Just to do anapana when you are alone. When you are here too. Okay? Another thing, what I want to say to you, what I forgot to say yesterday about the meditators who had the same problem with you at A. A. After she, he, she met with the. Heart h a specialist heart specialist told her you need operation. She was afraid to do. She decided not to do, and she practiced meditation. She could practice meditation well. She could she could practice up to vipassana. After that, she went to see the doctor again. Doctor felt very surprised. No need to do anything. Her heart improved a lot. Okay. So everything changes. Mm -hmm. That's why I, I want to suggest you just continue practice anapanasati. Okay, Innaturally. naturally. Okay. Mm -hmm. okay. Okay, can can a o t h e r who who want to i e r i e a c n d i t e r i e e n e k a y okay, okay. Okay, k a y o k a Okay, k a y k a เอยอะแยะที่มันแบบมันคิดไม่ถึงนะเนี่ยจะจะขอยกอนุญาตขอยกตัวอย่างให้ฟังเนฟันส ง, งเรื่องนะ ่ า, แ ล, ลาแล้วก็ฟ้ก็บ า, าในห้องนอนนี่สว่างวน้นะตอนลูกขึ้นมาตื่ทันดอตอนนี้เรดืทันเดอแล้วฟ้าผ่าใช่ไอ๋อใช่ฝนไม่ตกนะฮะแต่ว่าเสียงนั่นห No No <c oughs> any rain นนะ The light of e ื่นขึ้นมาในห้องนี่สว่างเลยแต่กลางวันเลยนะ mm hmm. แล้วดูอยู่ประมาณ20นาที When t <TV. S 2> <c> h <oughs> The light n h i s o m mm hmm. นี่นีนี่ก็เลยมีที่หนึ่งนะมีทิศ ท, ที่ไปเจอมาสองมาต่อมาเนี่ยเ อ, อ่อต่อมาเรื่องศึกษาแล้วเรื่องปฏิบัติก็เคยประสบการณ์แบบที่ว่าออไปทํา ง, งา น, น, นอยู่ที่หนึ่งแล้วพอดีห้องพักเราจะต้องไปเข้าห้องน้ำชั้นล่างก็วันนั้นก็พอดีจะลงไปเข้าห้องน้ะบานทิ้งพ <Okay. S 1> ื้นโอ้โหเราต้องปิดไยแล้วลงบันไดแค่นั้น เพราะว่าพอตื่นขึ้นมาปุ๊บในห้องนอนก็สว่างนะก็เลยตื่นออกจากห้องนอนลงบันไดไปชั้นล่างเหมือนจะไฟฉายสองดวงอ่ะที่ลูกตาเราสองดวงนี้นะมัไฟใจยสองดวงสองทางนำโลงไปข้างล่างเพื่อดิ้นชั้นล่างก็เลยสงสัยก็เลยวิ่งขึ้นมาใหม่นะวิ่งลงวิ่งขึ้นสามทางนะปดปิดเ ป, ดปิดตาเออเอเลืมตาแล้วเลื่ตา แต่เห็นว่ามันสว่างตลอดาเงี้ยนะก็เลยเอ๊ะเปเพราะอะไรก็วิ่งเข้าไปเปิดห้องพระดูปรากฏห้องพักพระสว่างเหมือนกันท่านนังที่มัาคืนไฟดับหมดไม่ได้เปิดไฟไว้นะก็เลยสงสัยก็เลยทลองเปิดเปิดไฟดูพอเปิดไฟพวกก็หายไนี้ในเวลาทำอนบาสติมีอะไรปรากฏขึ้นไหม ในระหว่งางทำจะไม่ปรากฏนะฮะ mm hmm. แต่ว่าจะฟากรแบบเนี้ยนะะแล้วก็อีกข้างหนึ่งไปทํางานหนุนใราชการไปจะทํางานให้บริษัทที่ที่ขมที่ดีห น, น, น, mm hmm. นึ่งนี้ยนะเคียร์ุเสร็จแลนั่งครับหน่อยเดียวเท่านั้นเอนะ mm hmm. นั่งหลับตาพับเดียวเท่านึ้นป้าอกว่ามันจะนั่งอยู่ในพระโอสฐมีเสาต้นใหญ่แล้วก็จะมีจะดาษแปะไ ว, ว้ใ น, นเสามีตัวหนังสือเต่มหมดนะฮะเรา พอเรามองไปที่ข้างหนึ่งอันนี้ใช้ประมาณ20นาทีได้นะก็ปรากว่ากระดาษนี่แต่ละแผ่นจะลอยเข้ามาหาหน้าผาตัวเองนะพอมาถึงข้างหน้าประมาณครึ่งหนึงเนี่ยตัวหนังสือแต่ละตัวก็จะหลุดออกมาจากกระดาษขึ้นมาแ ล, ลอยเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วแต่ละแผ่นก็ลงไปลงไปแล้วแผ่นใหม่ก็จะวิ่งตามมาเป็นแถวเป็นแถ ว, เ, แถวเราก็เฝ้าดูอย่างเงี้ยนะนะเฝ้าดูอย่างนี้ประมาณาเกือบเกือบ20น กลางวันนะนั่งทำงานก็เลยงงๆตมบกันแล้วก็อีกครั้งหนึ่งมาไหว้พระท่าที่รังภูนเบียนเบียนจักรราะเสร็จแล้วก็เลยไปอ่านคำอธิษฐานที่ท่านอาจารย์ไว้ในกันแกนของของของคุณอะไรกะไรยามทิ่หนึ่งก็ออ่านคาอธิษฐานก็โตหนังสือที่อยู่ในนู่นนี่ลอยมาเป็นแถวเลอ อจากที่เขาแกะไว้ฝุ่นลหลงข้างในกลยเป็นว่าอนุนออกมาข้างนอกเป็นสีทองลอยออกมาเป็นแถวเพราะ่านแถวที่สองก็จะลอยออกมาแถวที่สองผ่านอีกสองรอบขึ้นลงๆนะครับผมก็ไปอีกครั้งหนึ่งขอโทษนะฮะ <c oughs> <c oughs> พอดีปีก่อนปีที่แล้วน่นนะหมอสั่งให้ไปตรวจในสแกนในสมองพอดีกระดูกกระดูกคอนี่เสือ่อมก็เลยไปเข้าอุโมงค์เนะข้าอุโมงค์ พอไปเข้าเข้าอุโมงค์ที่สแกงคขมพิเตอร์นะฮะเสด็จครับแต่เล้วระหว่าที่เข้าอุโมงก็เลยเจริญอาการสามสองพิจารณาที่ที่ทีศีรษะนะก็เลยหลักๆาเขาปเข็งเข้าอุโมงค์ไปในระ่างที่เึ้่มทำงานมีปากอว่าเอ่อปรากฏว่าหน้าไอ้ไอ้หนังนังศีรษะทั้งหมดนะเขาคอยรลอกเขายว ของตัวเองเนี่นะลอกออกลอกออกลอกออตัวนี้จะตั้งถึงเนื้อแล้เห็นเนื้อเห็นเนื้อเลนแรงเนี่ยนะแต่ว่าตาตาไม่มีแล้วตาจะเป็นเอ่ตาเปล่าแล้วล้วการกจะรอกต่อจมวิที่อเน่นะกําลัางจะลอกต่อก็พอดีเจ้าหน้าที่ก็เห็นออกมาก็เลยก็เลยหาไปจีมีรับมขอกลับเงินแทนดีก่อสนะว่ามันเกี่ยวกับเศกิจอะไรหรือว่าเป็นอะไรนะครับ เวลาทำอานาบนาสติสัรถกำหนดหรือลมเข้าลมออกได้นานได้นานได้หมบางครั้งก็ได้นานนะบางครั้งก็ได้นานมากนะแต่บางครั้งก็จะจะฟุ้งซ่านนะฮะงครั้งนจะเป็นแต่ถ้านานก็นานมากนานรับนานานมากเหมือนกันแต่ว่าพักหลังบางทีทานยาถ้านานนานีบางทีได้ตั้งหลายสิบนาทีพอได้นะ แต่ว่าพักหลังพอดีมาทานญาก็มีส่วนช่วยให้างทีพอกำหนดกาหนดพอจิตนิ่งพ็มันจะาไปตกประวังจะ ไ, ะไปตายแ้นะฮะเป็นะไร่านั้นอาจจะเป็นถ้าอยสามารถกำหนดรู้เลิมเข้าเลิม อ, ออกได้ก็ควรทาต่อไปบางคนสามารถรับรู้ อารมณ์ข้างนอกแด่ยันดีคนนั้นถ้าเขาปฏิปัตษ์กษิก็จะดีเหมือนกันกสิออดาตะอดาตาเขาวเกศีสีขาวอาจจะดีเทวะอาตมาอยากให้โยทําต่อไปเดอนาปนสติถ้า โยสามัปฏิบัไดาอย่างนั้นอัจมาก็จะพิจารณาจะคิดจะสอนอะไรดีเดี๋ยวนี้ดี๋ยวนี้ยันไม่ใช่ทุกเวลาเดียวนี้ทำแต่อนาบานสติาหน้าก เขาจะเป็นข้าใจว่าอนามพก็ไปนีที่เราตั้งแต่ละเดือเวลาเราไปสีนทิทยาบทเพื่อแก้เื่อตอนนี้จะไปยังแก้เรื่องม่วงก็เลยว่าถ้าง่วงมไก็จะออกไปเตือนจงคมการเตือนจงกมเนี่ยเราก็กำหนดอนามพไปด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ว่าเวลาได้วลาไหนถ้ายมมียม่วงไม่ควรไม่ควรอยู่ ปั่นนั้นทำต่อไปบางทีเราก็ต้องต้องต้องใช้วิธีการที่สามารถเกะกั ง, งวนได้ถ้าหยุดแล้วเดินจงกลัวก็ยังไม่ฝึกจิตของโยมเมื่อไหรมีความร่วงเวลานั้น อยมก็จะถามอีกก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เห็นไหมบางทีเราถ้ามีมีความร่วงพระพุทธเจ้าออกให้คำแนะนำว่าเราสวดสวดมนต์ดังใจ โดยการกระทำนี้บางทีเราสามารถแกะปัญหานี้ได้ทําไม่ได้พับพับพะเจ้าก็ระสอนไว้ว่า <c oughs> <c oughs> ถ้าทำอย่างนี้ได้ก็ก็ดีนะบางทีไม่ได้ลืมตาเปืดตาแล้วก็มองดูแสงสว่างาไม่ได้ก็ยืน ถ้าไม่ได้ก็ดินจงกรูลบางทีทำอะไรไม่ได้ก็นอนอแค่แค่แค่เดี๋ยวห้าสิบนาทีก็แก้ปัญหานี้ได้เหมือนกันก่อนที่จะนอนเนี่ยระหว่างนอนยังไม่หลับอีกเราก็กำหนด อาณาบาลนัติไปตลอดได้เลยได้ได้ได้ดีการไปชมรมก่อนก่อนนั่งสมาธิจะทำทุกอย่างงกว่าหรือเ่าก่อนหรือลังก็ทำต้องทำควรทาบางทีถ้ามีเวลาเพื่อจะทำจึงจงกรุ่งก่อนจะทําลังๆทำไป บางทีก็ไม่มีเวลาที่จะทำก็หลังหลังหลังหลังก็ควรทำแล้วพอจิตมันอล่ล้นอนไม่หลับนะโจกะและ้วทำยังไงโจกเครื่องนในในกลางคืนเวลาที่ัน meditate I cannot sleep at night for <c oughs> two or three nights <c oughs> and now too ปบัติปบัติบัติเบัติบางทีจิตนะจิตแล้วเดินเพราะว่าโยมกเดี๋ยวนี้สามารถดดได้ลมเข้าลมออกติดตอตอนเลื่อนก็เลยทำให้สมาธิดีแล้วก็ทำให้จิตเดินเลยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องหวัง ทำปฏิปัตไปอย่างที่อาตมาบอกคนคนไม่ได้แล้วง In the future you will know you know how to sleep <laughs> because you are not familiar when you are familiar You know how to sleep. whenever you want to sleep, you can sleep too. นตรเจ้าค่ะวันนี้ก็รู้สึกผ่อนคลายกว่าวันก่อนๆไม่ไม่ค่อยมีความอยากอะไรมากแล้วนะเจ้าค่ะแล้วก็แต่ก็ยังมีฟุ้งอยู่บ้างเจ้าค่ะช่วงที่รู้ลมก็รู้ได้แต่ยังไม่ได้ต่อเนื่องนานเจ้าค่ะแค่ประมาณสิบห้านาทีแล้วก็ถ้าช่วงที่ลมเบามากๆบางครั้งขอเบาๆเนี่ย จะเหมือนกับหายใจเหมือนถอนหายใจหายใจลึกแล้วก็ทอนออกมาแบบนี้โยไม่รู้ว่าที่มันปกติเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่บางระยะพอเราหายใจไปมันจะเหมือนถอนหายใจใช่ไหมถอนหายใจถอนหายใจเลยคือมันเบา<อ>หายใจเ บ, บาเบาเบาเบ า, บาแล้วสักนานสักพักนึงมันก็จะ อไ ม, ไ, มไม่เป็นไม่เป็นถ้าไม่เป็่ยนเบาๆก็ไม่เป็นเลยบางทีบางทีก็เป็นเพราะว่าลงมันเบาบางทีก็อคิดว่าไม่พอ <c oughs> <c oughs> แล้วที่พระอาจารย์แนะนำให้แผ่เมตตาแล้วเราเราควร แผ่หลายหคนไม่ต้าคะตอนก่อนเริ่มมาเาคหรือว่าควรกาหนดไว้คนเดียวคนที่เรารู้สึกว่าคนนี้พอเราเล็งเหทีไรเราจะรับความเมตตาจากเข้ามาแล้วเราอยากจะแผ่กลัไปเราพูดเปลี่ยนคนไหมเจ้าคะถ้าเฮติอาตมาให้คําแนะนำเ พ, พื่อจะเพลเพรเมตตานั้นเพื่อจะจะทําให้ใจสงบถ้า ไปแพร่แกคนเดียวแล้วก็าสามารถทำให้ใจสงบก็พอไม่ต้องทำไปแต่ว่าบางทีอยากจะทำก็ทำทำได้หมายความว่าถ้าแผลคนเดียวนี่ก็มันแป๊เดียวเจ้าค่ะแผลแ๊เดียวแล้วจิตใจยังไม่สงบแล้วก็ีเ่อนั้นอีกว่ท<ช>าทำต่อไปแกทาต่อไปแกคนเดียวม่ใช่แปเดียว ต้องทำอไปจุนถ่งใจสงบกมีอะไรส่งอมไหมะผู้การส่งอารมณ์คะ้การใช่ไหมมาใครใครก็มามี ใ, ใครอยากส่งอารมณ์เข้ามาไรนะ สามี่หามีใครอีกไหมการที่อาจารย์สอนใจให้กันเราโยนถนะุงกางมันก็ขึ้นไปที่ศีรตรงกลางนะคะแล้วก็มันหมุนตึ้แล้วก็ลงมาที่หน้าผากมันหนักมากี่ชื่ออะไรพ่นุชค่ มันมืนมันใหญ่ึีนมาหนักมากอ๋นเดี๋ยวนี้โยมทำอนับานสัตติใช่ไหมคำเดินลู่ลงเข้าลงออกไหมคำเคำเดินได้นานไหมได้นานถ้าเรารู้สึกอะไรที่น่าผักหรือรอบเรอ พุปาเลขาเแล้วก็สิ่งที่โยมต้องระวังเวลาที่ทำอนาปานสาัติก็ไม่เพื่อไม่ใช้ไม่ใช้วิทยะมากคกนไปอันนี้เป็นเพราะวิทยะมากคกนไปบางทีเราก็อยากจะสาเร็จสิ่งที่เราทำอยู่ก็เลยเราก็มีความโลภ แล้วก ha, mm. ็ทำอย่างจุงจังก็ทำให้ก็ก็อให้เกิดอย่างนี้เลยถ้าถ้าสามารถกำหนดรู้อย่างธรรมชาติได้ไม่ไม่ก่อให้ปานอย่างนี้ ต่อจากพี่ผู้ชายเลยนะคะข้างหลังนะคะที่บอกว่าคุณคะอาจารย์บอกว่าถ้าแบบว่าอารมณ์ไม่ไดี <c oughs> ก็แบบให้พยายามนั่งต่อไปเรื่อยๆเช่นะคราวนี้นั่งได้นานแต่ว่าแต่ละช่วงมัอย่างนั่งสี่ชั่วโมงนี้นะคะถ้าใช้ได้แค่ชั่วโมงหนึ่งสามชั่วโมงไม่ไดีเลยควรจะคืนต่อไปคุณที่ กำลังเจริญสมาธิผู้ปฏิบัติที่กำลังเจริญสมาธิสิ่งที่สำคัญก็จ ะ, จะนั่งน้อยที่สุดก็ชั่วโมงครึ่งถ้าอยากอยากนั่นต่อไปก็ต่อไปนลยแต่ว่าถ้าไม่สามารถกำหนดรู้เข้าลมออกได้อย่าง ติต่อต่อเรื่องถ้านั่นนานๆต่อไปทําให้เหนื่อยร่างกายทําให้ร่างกายเหนื่อยแล้วก็ไม่มีกําลังใจด้วยใจก็ไม่มีกําลังหมายถึงว่าใจอยากนั่งอะค่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่สามารถกําหนดรู้ลงเข้าลงออกได้อย่างดีอ ก็ทำอย่างนีดีกว่าน้อยที่สุดนั่งชุดวโมงครึ่งถ้าดีก็ทำต่อไปถ้าไม่ดีก็สรงสองชุง่วโมงแล้วก็อยู่อีกเดินจงกรมเอาใจใส่ลมเข้าลมออกด้วยสิบห้านาทีหรือสามสิบนาทีแล้วทำต่อไปอยังดีดีกว่า ถ้าเราถ้าโยมสามารถกำเนิดลมเข้าลมออกได้แล้วก็รู้สึกสมาธิดีขึ้นถ้าอยากจะนั่งต่อไปทำต่อไป เ, เวลาที่สามารถทำได้ดีเวลานั่นก็ต้องนั่ง น, นั่นๆถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเราทํานั่งไปแต่ทาให้ร่างกายของเราเหนื่อยอีกถ้า อย่างนี้บ่ยๆหลังจากนั้นเราก็ไม่ไม่สามารถทาต่อไปได้เจ่อวันนี้จะเบามากค่ะจะเบาะเบามากๆกเดไตกเดรูดันะรูู้ว่าออกคะแต่มันบามากก็่าที อันนี้เป็นธรรมดาถ้าเราปฏิบัติอนาบานาสตินานๆลงก็จะเละเอียดเอาลงไปเรื่อยๆต่อไปเพื่อจะสามารถจะริงสมาธิเราก็ต้องฝึกจิตของเรารักษาสติให้ดีลงที่ละเอียดมากถ้าเราไม่สามารถกำหนดรู้ลงที่เบาอยู่ ละเอียดอยู่เราก็ไม่สามารถจะริงสมาธิได้ต้องรักษาสติให้ดีเทวะต้องต้องมีใจที่สงบมากและดังนั้นถ้าถ้าใจไม่สงบไม่สามารถกำหนดหรือลืมที่บเบาและละเอียดม า, า, มาก เวลานั้นถ้าถ้าใจไม่สงบ ก, ก็ต้องเพยเพยเมตตาอีกเวลาเราเวลาลมละเอียดเบาไปเวลานั้นเราต้องรักษาจิตของเราให้สงบเราก็ตั้งสติให้ดีแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ต้องมี สันตุทคิความสันดุกกับอารมณ์ของเราต้องมีความพอใจเพราะว่าบางทีลงละเอียนเบาไปยากยากยากเพื่อจะกำหนดรู้ก็เลยไม่ชอบถ้าถ้าเราไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบ เราไม่สามารถรู้พราะว่าจิตจิตมันจะว่าอย่างไงอีกข้อไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ชอบลมที่ละเบาละเอียดมากใจก็ไม่สงบแล้วไม่ชอบเป็นโดสะความทุกข์และความกรุก็เลย ทำาห้จิตไม่สงบการมที่ละเอียดและารมณออใจที่ไม่สงบไม่คล่องกันไม่สงคล่งคองกัน <c oughs> ก็เลยเราต้องรักษาเจิตให้สงบและต้องมีความพอใจกับอารมณ์ที่เราประสบการ์อยู่เหมือนได้มีงานทำเออมีมีมี มีเงินที่สำคัญมากไม่ใช่ไม่มีเพระวัติเราไม่ชอบกเลยเราก็ไม่เราก็จะว่ายังไงไม่อยากทำเพราะเราก็สิ่งที่ยากกรลีไม่ชอบทำต้องคลิกปั <c oughs> น้เร <c oughs> าจำพิจารณาคิดว่าควรทำ ตไปอนาปานสติถ้าถ้าสามารถทำนานๆถ้าอยากทาทัชฌีก็อา็จะสอน